ตอนที่38ปดปากไม่รักดียังมีหนานเฟิงและฉังจวินที่พาองคารักทหารรักษาพระองค์มาด้วยพวกเขารีบคืนป้ายคำสั่งให้เขาในทันทีเจียนเจียและไปลู่สาวใช้ทั้งสองพ่อเห็นเย่ยก็ร้องให้โหออกมานายบ่าวทั้งบ้านกอดเป็นกลมโดยมีเย่เ ย, ยาถูกล้อมอยู่ตรงกลางสองพ่อลูกแม่ทับที่เคยผ่านความเป็นความตายในสนามรบโดยม่กพริบตากรบร้องให้เสียงดังยิ่งกว่าสาวใช้ทั้งสองเสียอีกลินเซินถึงกับหลุดขำ ตระกูลเย่ยนี้ฉันไม่เหมือนใครจริงๆในเมื่อหลิงเซินเป็นคนช่วยเย่ยเยาสองพ่อลูกตระกูลเย่ยเดิมทีตั้งใจจะกล่าวขอบคุณแต่กลับถูกเย่ ย, เยาวฉุดรั้งไว้ไม่ต้องขอบคุณเขาหลอกซื่อจือคือว่าที่สามีของข้าการช่วยข้าถือเป็นหน้าที่ยยเย่ย่ายังขลิงตาใส่หลิงเซินทีหนึ่งซื่อจือว่าจริงไหมหลิงเซินเขาจะบอกว่าไม่ใช่ได้หรือดังนั้นเขาจึงได้แต่ยืนมองเย่เยาเดินจากไปท่ามกลางการห้อมล้อมของคนตระกูลเย่ย ลินเซิรนรู้สึกเข็ดฟันนักไอ้ปากไม่รักดีนี่ทําไมถึงเรียนรู้วิธีเอาใจคนไม่เป็นนะต่อให้เอาใจไม่เป็นก็ช่างเถอะแต่ทำไมถึงยังชอบทําให้นางโกรธนักลินเซิร์นขมวดคิ้วพางถอนหายใจสายหน้าขณะเดินไปทําให้หนานเฟิงและชังจวินมองหน้ากันไปมาเื่อจืดเป็นอะไรไปคนในจวนอองไม่ได้นอนกันทั้งคืนพอลินเซิรนกลับมาทุกคนก็กรูกเข้าไปหาหวังเฟยน้ําตาคลอเ บ, เบ้าตรวจดูเขาทั้งหน้าและหลังโทษเซินเ อ, อ๋อเจ้ากลับมาแล้ว เรียกให้แม่ดูหน่อยว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่จะไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้เสี่ยชิงจือเองก็ตาแดงกำ่ำที่เซินท่าไม่กลับมาทั้งคืนทางทหารรักษาพระองค์ก็บอกว่าท่านไปเล่ตามมือสังหารและสายลับข้ากับท่านป้าต่างก็เป็นห่งแทบแย่ท่านป้าไม่ได้นอนทั้งคืนจนตาแดงไปหมดแล้วสิ้นอองเคยนําทัพในสนามรบจึงค่อนข้างสงบนิ่งเมื่อเห็นหลิงเซินกลับมาอย่างปลอดภัยก็เบาใจหลิงเซิน ถ้าไม่เป็นไรผมไม่ร่วงสักเส้นเดียวหวังเฟยลูกใบหน้าที่ดูซูบเซียวของหลิงเซินน้ำตา ย, ยังคงไหลไม่หยุดดูสิซูบลงไปตั้งเยอะสิ้นอ๋องหลิงเซินคืนเดียวนียนะจะซูบลงได้หวังเฟยดากราดเป็นเพระเยเด็กตระกูลเย่ยนั่นอีกแล้วนางเป็นดาวไม้กวาดหรือไงทำไมเจอหน้าทีเลต้องมีเรื่องทุกทีก่อนหน้านี้ก็ชิงจือ คราวนี้ก็เซินเอ๋อตอบไปถ้าแต่งเข้าวจวนอองมาไม่ใช่ว่าจะทําเอาคนแก่อย่างข้าต้องตายไปด้วยหรอกหรือหลินเซินรีบขัดจังหวะท่านแม่เรื่องนี้จะโทษเยาเยไม่ได้จริงๆไม่โทษนางแล้วจะโทษใครไม่รู้ว่าจวนกว๋วกงเลี้ยงดูบุตรสาวผู้สูงศักดิ์คนนี้มายังไงถึงได้ชอบดึงดูดพวกมือสังหารนักหลินเซินจําต้องบอกความจริงเป็นชิงจือที่ไปหาเยาเยาแล้วทำจี้หยกตกไว้เยาๆเก็บได้พอดี กระจกเหมาะกับสายลับที่ปลอมตัวมาจำจี้ยกได้เลยคิดว่านางคือชิงจือได้ยินดังนั้นสีหน้าของเซียชิงจือก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแววตาฉายความโลลานวูบหนึ่งก่อนจะรีบปกปิดไว้ลินเซิร์นหยิบจี้ยกออกมาส่งให้นางเมื่อวันที่เยาเยามาจวนอ๋องก็เพื่อจะคืนจี้ยกให้เจ้าเขาเหลือบมองหวังเฟย อ, อีกครั้งไม่ใช่เป็นอย่างที่พวกท่านคิดว่านางทำผิดแล้วตามมาขอโทษถึงที่ทั้งสองมองหน้ากันพูดไม่ออก เสี้ยชิงจือรับจี้ยบคืนมาแซงทำเป็นเศร้าเสียใจถ้าอย่างนั้นก็เป็นค่าที่ทำให้พี่เย่ยลำบากนางไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลินเซินขมวดคิ้วนางตากฝนจนเป็นไข้แถมยังต้องตากลมหนาวอยู่ที่วัดร้างทั้งคืนเกรงว่าจะป่วยเสียแล้วเสี้ยชิงจือเบิกตากว้างจุดที่นางสนใจมีเพียงคำว่าวัดร้างและตากลมหนาวทั้งคืนเมื่อคืนฝนตกหนักหลินเซินเองก็ไม่กลับมาทั้งคืนหรือว่าพวกเขา ไม่รอให้นางถามลินเซิ์นก็ตำหนินางอย่างหาได้ยากคราวนี้เป็นชิงจือที่ทําให้นางลําบากจริงๆเจ้ามาจะหาเรื่องเดือดร้อนไปให้โจรก๋วกงอยู่ด้วยต่อไปก็ไปที่นั่นให้น้อยลงหน่อยเถอะเสียชิงจือได้ยินดังนั้นน้ําตาก็รื้นขึ้นมาในดวงตาคู่สวยทันทีพลางสะอื้นพี่เซินท่านกําลังตําหนิข้าที่ทำให้หูหญินเท่าเดือดร้อนแล้วยังทําให้พี่เย่ลําบากด้วยใช่ไหมคะลินเซิร์นขมวดคิ้วจนแทบจะเป็นปมข้าไม่ได้จะตําหนิเจ้าอีกอย่างเจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจ คำพูดนี้พอพูดออกมาเองเขาก็รู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆมิน่าล่ะเย่เราถึงรู้สึกว่าเขาข้าข้างเสียชิงจือคำพูดนี้มันคือการเข้าข้างกันชัดๆไม่ใช่หรือแต่ถึงอย่างไรเขาก็ทําใจตําหนิน้องสาวที่เอนดูมาตั้งแต่เด็กไม่ลงเอาเป็นว่าต่อไปเจ้าไปจวนกัวกงให้น้อยลงก็พอเสียชิงจือน้ําตาร่วงเพาะที่เซิร์นท่านกำลังตำหนิข้าจริงๆใช่ไหมพอนางร้องให้หวางเฟย์ก็รีบพูดแทนทันทีจะเป็นความผิดของชิงจือได้ยังไง ถ้าไม่ใช่พระท่านปู่ของเยี่ยยกลับคำพูดไปฟ้องฝ่าบาทจนทำให้ท่านอองลำบากชิงจือจะไปหานางเพื่อท่านอองหรือสรุปแล้วก็เป็นโจนกัวลงนั่นแหละที่ก่อเรื่องสเสด็จพ่อของเจ้าไปเข้าเฝ้าไม่รู้ว่าจะถูกพวกขุนนางฝ่ายตรวจสอบโจมตีอย่างไรบ้างอาคติของหวางเฟยย่จะแก้ไขได้ง่ายๆหลินเซินจึงได้แต่ถอนหายใจอย่างจนใจ เสี้ยชิงจืออาศัยจังหวก้มหน้าเช็ดน้ำตาปกปิดความไม่สบายใจบนใบหน้าแต่ในดวงตากลับซ่อนความคิดอื่นไว้ชัดเจนไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่สิ้นอองชี้ประเด็นสําคัญพวกมือสังหารจําจี้หยกของชิงจือได้ยังไงถึงได้จําเยี่ยยาวสลับกับชิงจือลูกเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลินเซินหันไปทางเสี้ยชิงจือชิงจือเจ้ารู้ไหมหัวใจของเสี้ยชิงจือกระตุกกรู่ได้สติจากอาการเหม่อลอยคาคาก็ไม่ทราบค่ะ ผูจบก็นิ่งเงียบก้มหน้าเช็ดน้ำตาต่อเพื่อปกปิดพิรุษในดวงตาและจงใจเปลี่ยนหัวข้อสนทนาพี่เซิร์นเมื่อคืนท่านอยู่ที่วัดร้างกับพี่เยียด้วยกันใช่ไหมคะหลินเซิร์นชะงักกึกสิ้น อ, องและหวางเฟยจ้องมองมาด้วยสายตาเป็นประกายเห็นได้ชัดว่าต่อให้จะอายุมากแค่ไหนก็ยังชอบเรื่องสุบซิปเมื่อคืนพวกเจ้าอยู่กันตามลาพังชายหญิงในห้องเดียวกันใช่ไหมพวกเจ้าทาอะไรกันบ้าง สายตาสามคู่หกดวงจ้องมาที่ตัวเขาหลินเซินเพิ่งจะเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าความรู้สึกตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกเป็นอย่างไรเขากลืนน้ำลายอึบใหญ่พยายามทำตัวให้สงบนิ่งพวกเราพวกเราจะไปทำอะไรได้เล่าถึงแม้จะอยู่กันตามลำพังชายหญิงในห้องเดียวกันแต่นั่นก็เพราะเมื่อคืนฝนตกหนักพวกเราเลยเข้าไปหลบฝนด้วยกันเท่านั้นเองเสียชิงจือซักไซ้ต่อพวกท่านไม่ได้ทำอะไรกันจริงๆหรือแค่หลบฝนหลินเซินกลืนน้ำลายอีกครั้งมันไม่ได้ทำ ดวงตาแดงก่ำที่ไม่เชื่อถือของเซียชิงจือจ้องเขาขเขม่งจนหลินเซินเริ่มรู้สึกผิดในใจอยู่ห้องเดียวกันแล้วจะทำไมเล่านางนางเป็นถึงว่าที่ภรรยาของข้าการช่วยนางถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามพานองคลองธรรมการปกป้องนางก็เป็นเรื่องสมควรอีกอย่างนางยังตากฝนจนเป็นไข้ข้าดูแลนางก็ก็เป็นเรื่องที่ควรทำ พูดจามีเหตุมีผลจนสิ้นอ๋องและหวังเฟยถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะหวังเฟยได้แต่ถอนหายใจอย่างจนใจวิญญาณของลูกชายคนนี้เปลงว่าจะถูกเยีเด็กตระกูลเย่แน่นดึงดูดไปเสียแล้วเสี่ยชิงจือไม่ได้มองข้ามแววตาที่หลบเลี่ยงของเขาที่เซินที่เคยยินชาและห่างเหินในยามนี้เมื่อพูดถึงเย่เยา ว, ววตากลับใช้แววอบอุ่นราวกับลมฤดูใบไม้ผลิหัวใจเริ่มหม่นไหวแววตาของเสี่ยชิงจือยเย็นเยียบลงทันทีนางรอบกำมัดแน่น นางปีศาจนั่นกํามันจะแย่งพี่เซินไปจริงๆแล้วนางปีศาจนั่นเริ่มลงมือแล้วหากนางไม่ทําอะไรสัตว์อย่างพี่เซินจะต้องถูกนางปีศาจนั่นแย่งไปแน่ๆไม่ได้ไม่ยอมเด็ดขาดนางจะไม่มีวันยอมให้เยี่ยงยาแย่งพี่เซินไปไม่มีวันไม่มีใครสังเกตเห็นความเกลียดชังและความไม่ยินยอมอย่างรุนแรงในดวงตาของนางหลิงเซินอาศัยจังหวะที่จะไปตามจับมือสังหารสองคนที่หนีไปได้รีบชิงหนีไปอย่างรวดเร็ว